ทรงอนุญาตให้ขอจีวรได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ถูกโจรชิงจีวรหรือจีวรหายออกปากขอจีวรจากเครือขัดชายหรือครือขัดหญิงผู้ไม่ใช่ญาติได้ถ้าวัดที่ภิกษุไปถึงก่อนมีจีวรประจําวิหารผ้าปูเตียงผ้าปูพื้นหรือผ้าปลอกฟูกของสง ก็พึงถือเอาผ้าของสงไปห่มโดยตั้งใจว่าเมื่อเราได้จีวรแล้วจะนำมาคืนดังนี้ก็ควรถ้าไม่มีจีวรประจำวิหารผ้าปูเตียงผ้าปูพืน้นหรือผ้าปลอกฟูกของสงควรใช้หญ้าหรือใบไม้ปกปิดมาอันหนึง่งภิกษุไม่พึงเปลือยกายเดินมาภิกษุใดเปลือยกายเดินมาต้องอบัตทุกข์กแล้วรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้